ลืมกูเจทุกทนะ <Okay. S 1> ไปหาผูเจเจอเราเหนืงง่อเาฮอปเราดนะูีเนี่ยดบ่อยดเกินว่าเนี่ยคนจะดูกูกเจด้วเองเนี่ยจะดูจะนั่งจะย่างจะเดิ น, นบาทงาทีดีกว่าถ้าวันได้อารมณ์ที่ดคนลืมกูเจเขาไปนั่งเด่นดอกไม้แซมดอกไม้เล่นเฉยด้ยนะดยงานแะไรเือมหาเศรษฐีใหม่แล้วนี้เนี่ย ก็เทียวไล่ที่เคยก็แล้มีบาดก่านะมีบาดเก่านั่นแหละที่สุดจะต้องทำมุแจใหม่มุแจฝังชิพเลยนะมัโตอะโอ้เป็นก็้แลแ้วแจกใครสั่งสมความอยากมาเยอะก็ะลืมสติบ่อยลืมมุแจบ่อยคุณให้สั่งสมความอยากมาน้อยก็จำมุเจได้ง่ายเพราะความอยากมันขโมยมุเจรครบสั่งสมมาเยอะเอามาเพือีนอยนวันว่ามีบาดเก่ า, นาันริไม่ใช้เรื่องยะ มเมเจอร์แกหรือป again, ไปไหนก็มันไม่เหมือนเมื่อก่อนถ้าเดินไปในที่ลำบากเมื่อก่อนเราดวใช่ัหมดูควาลำบากไปเดินที่สบายแลราก็ชอบนะเป็นการที่สบายก็ชอบแต่ถานที่ลำบาไม่ชอบอันนี้เนี่ยแต่เดี๋ยนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเราจะไปสถานที่ชอบกับไม่ชอบก็เหมือนกันหรือเดจากแต่หรืเดินจากฝนหเดินในร่มก็ความรู้สึกก็ไม่ต่างกันแต่เมื่อก่อนเราไปเจอแดดเรารีบใช่ไหม ี๋ยวนี้พอเราเจอแดดเราคิดในมูมใหม่เราเจอแดดเกิดริบแต่ได้ไม่ได่ริบดีทําให้กระดูกแข็งพอคิดอย่างนี้พอไอ้ความคิดก็ร้อนหาไปเลยนะหรือตักคนก็ดีเพื่อนจะได้สร้างภูมิคุทานร่างกายจะได้มีภูมิคุ้ทานมันมันเปลี่ยนความคิดมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเวลาเข้าไปในห้างอันนั้นก็อยากได้นี้ก็อยากได้แต่พอเดี๋ยวนี้เข้าไปแล้วมันรั่ไปทําไมเอาไปใช้ไม่ได้มนคุ้มแล้วก็ไปเสียเวลาเก็บมันก็นี่คือความคิดมันเปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้เรา แต่แล้วก็จะเบาเมื่อก่อนมันมันมันเต็มไปด้วยความกลัวอันนั้นก็เลยว่าน่าจะต้องไปที่ใจริญดูถ้าเรามีวิบากเยอะล้วก็กลับมาหาตัวเองบ่อยๆไม่ช่คนวิบากเยอะจะทาไม่ทาไม่ได้แต่มีเทคนิคการมาหาตัวเองก่อยๆจำลูกกุญแจให้ดีจับครุษิตรูอให้ดีกูญแจนี่แค่มันหายพอคนรูัวว่ลูกกุแจดูดีแล้วไปกลับหาบางทีมาเปิดใหม่ก็อย่างไปอย่างนี้จนกระทั่งว่าวิบากมันเบอกว่า คามยากันบอกไปผูู้แจก็จะเริ่มนึกครูแจได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นในที่สุดก็สบายเพราะนัวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายหลายคนที่ฝึกแบบอื่นมาต้องไปยึดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วมองบนอื่นเป็นตัวอย่างข้างนอกคนนั้นปฏิบัติแล้วทำไมเป็นอย่างนั้วิธีนี้ถ้าดีทําไมคนนั้นไปคิ่เปข้านอกแหละนอกเรื่องหมดเลยนะแต่ไม่ได้คิดตัวเองว่าทําไมตัวเองจึงไม่ทําและตัวเองเคยทำอะไรยอะแล้วทาไมตัวเองจึงไม่ ทำามไม่น้อยกว่านี้ทำไมต้องคิดแบบนี้อยู่ทำไมมีคิดแบบนี้ก็มากรโดอย่าตัวเองว่ากาคิดอย่นี่จะถูกใจเราเราไปมองคนนอกเยอะเกินไปแล้วกระทำให้เรายิ่งิ้วแจไปใหญ่นั้นเป้นวิธีการว่าเทียนเคลับกคือกลับมาดูตัวเองแก้ไขตัวเองมากกว่าที่จะไปดูคนอื่นแก้ไขคนอื่นนี่คือเคลียร์รับวิธีการก็เทียนส่วนเขาคนอื่นเขาใชปฏิบัติทางนี้มานานเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะเฏิบัวิานานแ้ดีก็ไม่เรื่องขอเขาไม่ดีก็เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไห ถ้าเรายังมีบาปทำนี้ทําไมก็ปฏิบัตินานแล้วทำไมยังเป็นอย่างนั้นถ้าเจ็มชั้นเป็นอย่างนี้ชั้นไม่เอาดีกว่านะถ้าคุณคคปฏิบัติอย่างเขาอย่างเขาก็าจะเป็นอย่างเขาแต่คุณแน่ใจได้ว่าคุณปฏิบัติเขาคุณมจะเป็นอย่างเขาก็แล้วมัอาจจะดีของเขาก็คาแค่ขายตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อความสุขส ม, มองของตัวเองพอื่นเขาจะปฏิบัติดีไม่ดีก็ไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นนะแต่เราปฏิบัติดีไม่ดีช่วยเราได้